ได้ซื้อดอกไม้เต็มราคาได้นําไปมอบแก่พระนางสามาวดีเมื่อได้ถูกสักถามว่าวันนี้ทําไมดอกไม้จิงมากนางขุชะชุชะตราก็รับตามความเป็นจริงแต่ว่าไม่ทําเหมือนอย่างเก่าเพราะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระนางสามาวดีก็ขอให้นางขุชะชุชะตราแสดงธรรมให้ฟังนางขุชะชุชะตราก็ขอให้จัดที่แสดงธรรมและเมื่อได้ชําระกายแต่งกายสะอาดเรียบร้อย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 เจ้าเป็นพานเจ้าเป็นคนหนวกเจ้าเป็นอูดเจ้าเป็นโคเจ้าเป็นลาเจ้าเป็นสัตว์นรกเจ้าเป็นสัตว์วิริชานสุคติของเจ้าไม่มีเจ้าหวังทุกคติได้เท่านั้นท่านพระอานนท์ซึ่งได้ติดตามมากับพระพุทธเจ้าได้กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จลีกออกไปจากเมืองนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าจะให้ไปที่ไหนพระอานนท์ทูลว่าจะไปเมืองอื่นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามว่า ก็เมื่อมนุษย์ในเมืองนั้นด่าอีกจะไปที่ไหนอีกพระอาหนุ์ก็ทูลว่าไปเมืองอื่นอีกจากเมืองนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเมื่อถูกด่าในเมืองนั้นอีกจะไปที่ไหนอีกพระอาหนุ์ทูลว่าจะไปเมืองอื่นๆต่อไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจะทําอย่างนั้นไม่สมควอรอธิกรณ์นั้นเกิดขึ้นในที่ใดเมื่ออธิกรณ์นั้นสงบไปแล้วในที่นั้นจึงควรที่จะไปในที่อื่น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 ในเมื่อเขานําไก่เป็นมัทหายก็ได้ น, นําพระเจ้าโอเทนให้ส่งไปให้คณะพระนางสามาวดีปรุงเครื่องเมื่อก็ส่งไก่เป็นนั้นไปคณะพระนางสามาวดีก็ปฏิเสธเพราะเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์พระนางมคันทิยาก็ทูลดุดแย่ว่าให้ลองดูต่อไปให้ลองส่งไก่นั้นไปอีกและสั่งให้จัดการทำพระตหารถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าโอเทนก็รับสั่งไปอย่างนั้นแต่คราวนี้พระนางมคันทิยา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 แต่ว่าให้ถอนเขี้ยวออกเสียเมื่อได้รับมาแล้วก็จัดการใส่เข้าไปในพินสําหรับดีดเรียช้างของพระเจ้าอุเทนที่โปรดนําติดพระองค์ไปด้วยเสมอเมื่อถึงวารคที่พระเจ้าอุเทนเสด็จไปบนตําหนักของพระนางสามาวดีพระนางมคันธยา ก, ก็ทูลคัดค้านทํำนองว่าจะเกิดเหตุร้ายพระเจ้าอุเทนก็ไม่ทรงเชื่อฟังในทรงถือพินคันโปรดปราณนั้นนําติดพระองค์ไปยังตําหนักของพระนางสามาวดีด้วย พระนางมคัญทิยาก็ไปด้วยและเมื่อได้เสด็จขึ้นไปบนพระตำหนักนั้นแล้วพระนางมคันทิยา ก, ก็ล่อเปิดช่องที่ผินงูก็เลยออกพระนางมคันธิยาก็ร้องเออะขึ้นทูลพระเจ้าอุทเทนให้ทรงทราบพระเจ้าอุเทนไม่ได้เห็นเรื่องเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นก็กริ้วพระนางสามาวดีรับสั่งให้เรียกอาธนูและแล่งทรงทนูเพื่อจะยิงพระนางสาวมาวดีแต่พระนางสาวมาวดีก็แผ่เมตตาจิตไปยันพระเจ้าอุเทนและพระนางมคันทิยา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 และนับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเมื่อเจดีกลับมาแล้วก็รับสั่งให้พระนางสามาวีขอพรที่พระจารย์ไว้พระนางสามาวดีก็ทูลว่าไม่ต้องการพรอย่างอื่นประสงค์ว่าจกทุลขออนุญาตนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระพิสุสง์มาถวายพระตาหารในพระจาฐานและทุลขออนุญาตเพื่อจะฟังธรรมพระเจ้าอุเทนทรงอนุญาตแก่พระนางสามาวี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 เป็นเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ที่เห็นอยู่ตามความเป็นจริงเรื่องตอนพระนางสามาวีถูกไฟครอกนี้ท่านละไวในอัตถกถาธรรมบทด้วยว่าเมื่อจะสิ้นชีวิตพระนางสามาวีได้สอนให้บริวารเจริญเวทนาปริหะกรรมฐานคือกรรมฐานที่กําหนดเวทนาเป็นอารมณ์เรื่องในกรุงโกสัมพี ท, ที่เล่ามานี้เล่าตามพระอัตถกถาจารย์ที่ละไว้ในอัตถกถาธรรมบท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 หรือเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้เป็นอันตรายแต่บาปกรรมที่ทำไว้นั้นก็ส่งผลให้พระนางสามาวดีกับคณะได้ถูกไฟเผาในชาติต่อๆมาส่วนโคกศกาเศเสตีนั้นท่านก็เล่าบุรพกรรมไว้ด้วยความว่าครั้งหนึ่งได้เกิดทุพปาิกัรขึ้นในอลาศัพท บ, รรบางผู้ก็กล่าวว่าเกิดอหิวาตากโรคขึ้นคนเข็นใจผู้หนึ่งชื่อว่าโหตุหาลิกะ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 นายโคบานผู้หนึ่งกำลังประกอบพิธีมงคลเกี่ยวแก่โคนมเมื่อได้เห็นคนเดินทางคู่นั้นมีความทุกข์ยากลำบากหิวโหยเกิด ค, ความสงสารก็ได้ต้อนรับเลี้ยงดูเมื่อเลี้ยงดูคนเดินทางทั้งสองนั้นเสร็จแล้วนายโคบาลจึงได้บริผู้อาหารด้วยตนเองในปั้นข้าวป่าญยาให้แก่นางสุนักซึ่งอยู่ในที่ใกล้นายโกตุฮาริกะเห็นนางสุนัขได้รับเลี้ยงดูด้วยอาหารวิเศษเช่นนั้นก็คิดว่านางสุนักนี้มีบุญ ได้กินอาหารดีๆเช่นนี้เสมอในคืนนั้นนายกตุหาริกะได้บริโภคอาหารเกินส่วนเร้อดอยากมาเป็นเวลาหลายวันก็ถึงแก่กรรมท่านว่าเข้าไปเกิดในท้องสุนัขนางสุนัขคลอดลูกออกมาเป็นสุนัขตัวผู้นายโคบาลก็เลี้ยงดูไว้เป็นอันดีและให้คอยไปรับไปส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งลูกสุนัขนั้นก็ไปรับไปส่งและได้เห่าหอนพระปัจเจกพุทเจ้าในการรับและการส่ง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 แต่ว่าบริโภคกรรมคุณเกินขนาดจึงได้จุติลงมาไปเกิดในท้องของหญิงนครโสเพณีในกรุงโกสัมพีดังที่เล่ามานั้นและท่านกล่าวว่าเทพยดาที่จุตินั้นด้วยเหตุ4ี่อย่างคือ 1. สิ้นอายุหมายความว่าทำบุญไว้มากก็อยู่ในเทวโลกจนถึงกำหนดอายุและก็เกิดในชั้นสูงสูงขึ้นไป 2. สิ้นบุญคือว่าทาบุญไวน้อยเมื่อสิ้นบุญนั้นแล้วก็ต้องจุติในระหว่าง 3. สิ้นอาหารหมายความว่าตื่นให้กามคุณหรือว่าตื่นสวรรค์หรือว่าบริโภคกามคุณอย่างน่ะจนลืมบริโภคอาหารก็ต้องจุดติเหมือนกันและสโกโรธหมายความว่าริษยาในสมบัติของผู้อื่นไม่อดทนสมบัติของผู้อื่นเมื่อเกิดความโกรธริษยาขึ้นดังนี้ก็ต้องจุติเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องประกรอบส่วนพระเจาอุเทนนั้นมีเรื่องเล่า ว, ว่า ได้เคยพบกับพระพินโทละพรัตวชชะในตั้งปัญหาถามท่านท่านก็ตอบจนพระเจ้าอุเทนทรงเลื่อมใสมีเรื่องแสดงว่าในคัมภีร์ชั้นพระบาลีว่าเมื่อท่านพระพินโทละพรทวชชะได้ทรงอยู่ที่โคสิตารามในกรุงโกสัมพีพระเจ้าอุเทนทศดิษฐ์เข้าไปหาท่านได้รับสั่งตั้งปัญหาถามท่านว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุหนุ่มๆเหล่านี้ซึ่งยังมีผมดำสนิทอยู่ในวัยเจริญคือปฐมวัย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 พระพุทธเจ้าได้ตรัสไปว่าพวกเธอจงมามีสติคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคือเห็นรูปด้วยจกักษุได้ยินเสียงด้วยโสตะสูดกลิ่นด้วยคานะลิ้มรสด้วยชิวหาถูกต้องโผดทัพพะด้วยกายรู้เรื่องด้วยใจก็อยาถือเอาโดยดิมิตคือว่ารวบถืออย่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะคือว่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อความสำรวมอินทรีย์เหล่านั้นที่จะมิให้บาป